คนหันใหญ่ยกมือซื้อ่ะอลงได้ใช้ได้เนาะที่จริงแล้วกันภาวนานะไม่ได้ยากลำบากอะไรเลยเรื่องง่ายๆเราชอบไปคิดเอาเอง่ากการปฏิบัติธรรมต้องทำอะไรที่แปลกๆพิด ธ, ธรรมดา นักปฏิบัติไม่ใช่คนธรรมดาเข้าใจผิดนะพวกเราเลยธรรมดาที่สุดนักปฏิบัติคนในโลกมันไม่ธรรมดาโดนกิเลสลากไปจิตใจก็วุ่นวายคอยปรุงแต่งตลอดส่วนใหญ่ก็ปรุงชั่วปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลง เด๋ยวอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกเรื่องราวสนุกสนานก็วิ่งออกไปกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบอารมณ์แล้วก็ชอบใจในอารมณ์นั้นบ้างไม่ชอบใจในอารมณ์นั้นบ้างพอชอบใจคนที่รนรงอยากให้อารมณ์นั้นอยู่นา น, น, าน มอนเริ่ั้งแต่ทีแรกก็หิวาอารมณ์ก่อนอยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเงี้ยพอได้อารมณ์มาแล้วอารมณ์นั้นถูกใจก็ อ, อยากให้อารมณ์นั้นอยู่นานๆอารมณ์ไม่ถูกใจก็ อ, อยากให้อารมณ์นั้นหายไปเร็วๆนี่คือตัณหาสามแบบสามลักษณะอันหนึ่งอยากได้อยากได้อารมณ์มา เป็นกรรมตัณหาพอได้อารมณ์มาแล้วชอบใจอยากให้อยู่นานๆก็เป็นภาวะตัณหาพอได้อารมณ์มาแล้วเกิดไม่ชอบใจมันเกิดเบื่อเลยอยากให้หายไปนะก็เป็นวิภาวะตัณหาพอมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นใจจชดิ้นรนอย่างเริ่มต้นนีอยากไดอารมณ์เนี่ยใจก็วิ่งพลานออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจละ พี่กไปหาารมกรนะทั่งนักปฏิบัตินะทำกรรมฐานนะเวลาคิดถึงกรรมฐานบางทีส่งจิตเท่าไปนะเที่ยวทายอยู่ข้างในว่าจะดูอะไรดีเนะี่เที่ยวหาหมิมนกันเยอ ด, ด้วยนะนี่ถ้าเรารู้ตั้งแต่ตัณหาเกิดนะความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจ การทำงานพรุงแต่งของจิตมันก็ยังดับไปอย่งอยู่ๆเราอยากอยากดูอยาเงี้ยอยากดูเราก็รู้ทันใจมันอยากดูแล้วละเนี่ยสมควได้ยินเสียงใครไออย่างเงี้ยอยากดูว่าใครนะให้รู้ว่าอยากก่อนแล้วจำเป็นต้องดูก็ดูนะไม่ใช่ว่าห้ามดูห้ามฟังไม่ใช่แต่ไม่ได้ทำเพราะอยากทำเพราะว่ามันสมควรจะทำมันมีเหตุมีผล อย่าเราจะข้ามถนนใช่ไหมก็ต้องหันซ้ายหันขวาดูมันจำเป็นต้องดูไม่ใช่ดูเพราะอยากดูนะอย่าทำเพราะอยากแต่ว่าทำเพราะมันจำเป็นต้องทาคนละเรื่องกันนี่พอมันไปรับอารมณ์แล้วมันเห็นอารมณ์นี้ชอบใจให้รู้ว่าชอบใจถ้าไม่รู้ว่าชอบใจในอารมณ์นี้นะมันจะอยากให้อารมณ์นี้อยู่นาน เดี๋ยวเราก็รู้ทันเข้าไปเนะี่ยเป็นช็อตช็อช อ, ชอไปถ้ามันอยากให้อารมณ์นี้อยู่นานๆเราก็รู้ทันอีกถ้ารู้ไม่ทันจิตก็จะดินน้นรนทําไงจะรักษาอารมณ์ตัวนี้ไว้ได้นะจิตแคทต้องินร น, นปรุงแต่งอีกแล้วหรือพกอกระทบอารมณ์แล้วไม่ชอบใจนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกใจหรือที่แรกถูกใจต่อมาเบือ่อนะอยากให้อารมณ์นี้หายไปให้รู้ทันไม่อยาก รู้ทันว่าใจอยากให้อารมณ์นี้หายไปถ้ารู้ไม่ทันใจจะดิ้นรนเช่นหาทางดิ้นรนทำยังไงมันจะหายดิ้นอยากให้มันหายเร็วๆนะอย่างเราไม่ชอบหน้าคนคนหนึ่งเนยะอยากให้มันหายไปเร็วๆนะถ้าเกลียดมากๆอยากให้มันหายจากโลกเลยนะข้ามทิ้งอะไรเงี้ยใจก็ยิ่งดิ้นรนมากขึ้นมากขึ้นด้วยอนาจของราคะด้วยอำนาจของโทสะ แรกเริ่มเดิมทีก็ทิ้นหล่นเรื่องนายของโมหะใจมันหลงแล้วก็เกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมานกิเลสมันก็ทำงานแบบนี้ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งอะไรนักหนาตามรู้ตามดูไปสักช่วงหนึ่งก็พอเข้าใจพเข้าใจเราจะรู้เลยว่าตัณหาเกิดที่อนนะไรความทุกข์เกิดทุกที่เลยอย่างตัณหาเกิดเนี่ยอยากดู อยากดูวนังอยากดูคอนเสิร์ตทุบไหมนี่พูดอย่างหยาบหยบนะที่จริงแค่อยากดูว่าบนหัวเรามีตุกแกหรือเปล่านี่ในนี้มีตุกแกเข้ามาซ่อ น, นเห็นไหมนะใจเริ่มดินดินดินดินกลัวตุกแกไหมบางคนว่าอร่อยนะถ้าเห็นแล้วน้ำไหล เห็นะพวกเราเริ่มดูแล้วเนี่ยเริ่มส่งจิตขึ้นเพดานแล้วใ่ไหมใจมันหนีไปเนี่ยใจพอมีความอยากเห็นไมใจมีความทุกข์ใจถูกบีบขั้นแล้วนะค่อยๆสังเกตไปทุกครั้งที่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นนะคนที่ไม่ได้ภาวนานะมันก็ตื้นๆ คิดว่ามีความอยากยังไม่ทุกขหรอกต้องไม่สมอยากไม่ได้อ ย, าอยา่างอยากถึงจะทุกข์พวกเรานะั้นปฏิบัติเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นไราจะเห็นเลยไหมอยากปุ๊บทุกข์ปั๊บเลยทนะุกอย่างรวดเร็วเลยอยากจีบคนสักคนหนึ่งสุขหรือทุกข์้าทุกข์นะกลัวเขาไม่เล่นด้วย ค่อยๆสังเกตไปรู้จักอยากไหมเออใครไม่รู้จักว่าอยากเป็นยังไงมีไหมยกมือสิผลวงพ่อจะได้สอนทุกคนรู้จักแล้วนะมิฉะนั้นจะมาอ้างว่าดูไม่เป็นไม่ได้การดูจิต ด, ดูใจไม่ใช่เรื่องลกลับอะไรนะทำไมเรารู้จักว่าอยากก็สนแสดงว่าเราดูเป็น เรารู้จักสภาวะของความอยากโกรธเป็นไหมโกรธก็เป็นโกรธก็รู้จักแสดงว่ารู้จักสภาวะของความโกรธการดูจิตดูใจก็คือตอนนี้มันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็แค่นั้นแหละมีความอยากเกิดขึ้นในใจก็มีสติรู้ทันไปถ้ารู้ไม่ทันจิตจะดิ้นรนตรงที่จิตดิ้นรนเนี่ยในตำราเรียกว่าภ ไปไีกเขาพบไหมเราชอบพูดนะขอให้สิ้นชาติสิ้นพบพอย่างเงี้ยพูดไปงั้นเชาติเป็นไงก็รู้พบเป็นไงก็รู้พบก็คือการที่รุนถึงใจความรุงแต่งของใจชาติก็คือการที่จิตใจเราเนี่ยหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาใช้งานหยิบฉวยขึ้นมา เวลาเราจะดูรูปมีความอยากดูเกิดขึ้นพะความอยากดูเกิดขึ้ น, นก็ผลักดันให้จิตวิ่งไปดูจิตมันเคลื่อนไปจะไปดูรูปนะมันต้องไปหยิบดวงตาขึ้นมาใช้งานเพราะฉนั้นมีตัณหาก็มีอุปาทานมีพบมีชาติขึ้ ท, ทันทีที่ไปหยิบเฉยตาขึ้นมาความทุกข์จะเกิดแล้ว ความทุกข์ในใจสมบูรณ์แล้วหยิบเวยตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มาจะได้ทุกข์ขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออะไรคือรูปธรรมนามธรรมานะคือรูปธรรมนามธรรมาใจเข้าไปยึดในรูปใจเข้าไปยึดในนามใจก็ทุกข์ใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาค่อยๆสังเกตนะค่อยๆเรียนไป ไม่ต้องดูได้ละเอียดอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่หลวงพ่อบอกไปคร่าวๆยีงใช่ําว่าคร่าวๆนะพอให้เห็นทิศทางตนนั้นนะมันมีกระบวนการทำงานของใจตัวนี้อยู่ในเรื่องของปฏิจจสมุ ป, ปบาทไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะปฏิจจสมุปบาทนั้นชอบพูดเพ้อเจอกันนะไม่ใช่เรื่องง่ายมันได้แต่รู้จำมันไม่รู้จักไม่รู้จริงไม่รู้แจ้ง ได้แค่จำจำไว้ตำลาว่าอย่างนี้อย่างนี้เห็นจริงๆริงไหมไม่เห็นน้อยคนที่จะเห็นถ้าเห็นก็เห็นท่อนปลายท่อนปลายเหตุตรที่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วเนี่ยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์มันกมีผัดสักเกิดสุขเกิดทุกข์ก็รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็จะเกิดอยากขึ้นมา มีความสุขก็อยากให้มันได้อีกอยากให้มันอยู่ น, น, นานๆมีความทษก์ก็อยากให้มันหมดไปอย่างี้ถ้าจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนนะปรนเดี๋ยวเี่อย่างอยู่เฉยๆเนี่ยใจจับอารมณ์ได้ไม่ชัดนะแป๊บเดียวเขจะอยากได้อารมณ์มันใหม่อยูนะ่อารมณ์ขึ้นมาอีกละมีกรรมตันหายค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะเราจะเห็นเลย อยากขึ้นมาแล้วก็ทุกนี่อยากที่สุดแล้วนะอยากแล้วก็ทุกเนะี่ยก่อนจะทุกเนะี่ยมีกระบวนการตั้งมากมายก่อนจะอยากก็มีกระบวนการตั้งมากมายยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อสันเ็นโยมนะหลวงพ่อเห็นปฏิจจสมบาทแต่เห็นครึ่งหลังท่อนหลังหือตั้งแต่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่กระทบพัรษะ เกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์แต่เห็นคร่าวๆชาติก็ยังเห็นไม่ชัดชาติเห็นไม่ชัดในตําราเอาชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้กนกระใจเขื่อชาติต้องเกิดตัวนี้ก็ง ง, งก็ปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงเกิดรูปนามมันก็มีตัวนี้แล้วเนี่ย ทำไมมันมีชาติสอนเข้ามาอีกตัวหนึ่งที่แทนเป็นตรงตรงชาติเนี่ยเป็นกระบวนการที่จิตมันยิบช่วยอายตนะให้มาใช้งานมันไม่เหมือนการได้มาซึ่งรูปนามตัวนี้คนละขั้นกันมีปฏิสนธิวิญญาณจิตที่พาให้เกิดนะอย่างลงในก้อนธาตุ ของพ่อของแม่ที่ผสมกั น, นปฏิสนี่พิญญาณอย่างลงก่อนถาตนึถูกเลี้ยงนะให้โ ต, โตโตขึ้นออกมาเป็นตัวนี้นให้มีตาหูจมูกลิ้นกายครบครันมีใจถ้าไม่ตายซะมันมีใจงั้นมีแต่ตาคลอดมาพุ๊บมีตามีหูแต่มันไม่มีใจตายได้แต่ตอนเกิดเลยเงี้ยมันมีตาก็ดูอะไรไม่ได้ งันตอนที่หัดภาวนาทีแรกนะก็เห็นปฏิจจสมบาทท่อนปลายเห็นคร่าวๆแต่ยังไม่เห็นตรงวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปไปเห็นตรงนี้ในวัดหลวงประเทียนนะไปนั่งขยับขยับดูแล้วก็ขยับอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็จิตมันสงบขึ้มากรวมลงไป รวมเาไปนะตัอย่างหายไปหมดเลยกระทั่งจิตจิตลงผวาดับความรับรู้ภายนอกเหลือแต่อารมณ์ดั้งเดิมอารมณ์ที่คุ้นเคยรับรู้อยู่ภายในแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเสร็จแล้วเห็นจิตนะมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเพิ่ขึ้นมาจิตมันผุดขึ้นมาจับวับขึ้นจากผวง ทีแรกก็เห็นมันผุดขึ้นมาแล้วมันแป่ความรู้สึกออกไปกระทบรูปนะรูปก็ปรากฏแป่ความรู้สึกออกไปกระทบน้ำน้ำก็ปรากฏนี่คิดนึ้ปรุงแต่งได้ละหรือว่วิญญาณมันทําให้รูปน้ำเกิดขึ้นมาแบบนี้เองกระทั่งมีรูปมีน้ำอยู่แล้วนะแต่ตอนตกรวังไปมีรูปเหมือนไม่มีรูปมีน้ำเหมือน ไ, ม, ม, ม, น ม, อนไม่มีน้ำตอนจิตมันผุดขึ้นมา ขึ้มารับรู้แล้วก็เห็นเกิดรูปนามขึ้นมาเกิดอายตนะขึ้นมานะมีอายตนะแล้วก็มีปัสสาะได้ค่อยๆเห็นนะเห็นทีละน้อยทีละน้อยนะเพิม่มเพิม่มเพิ่มไปตรงสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณกนะ็เห็นค่อยๆภาวนาสังขารคือความปรุงแต่งปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างปรุงว่างบ้าง ก็มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตก็หยางลงนะค่อ ย, ยดูตัวที่ยากที่สุดก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารตอนนี้ยากที่สุดนะถ้าเห็นก็คือจะจบปฏิจจสมุปบาทแล้วนะจะเห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทเท่นยากไปไหมวันนี้ยากทำไงดีสอนได้อย่างง่ายไปแล้วนะอยากรู้่าอยาก รู้ทานความอยากไปตัวอย่างนี้มันอยู่กลางๆ ไ, ไ, ไ, ไม่ได้อยากเกินไปไไกเลยๆหยยดเตียนไปใครชีิออกนอกบ้างยังออกอยู่นั้นแหละ ยังไม่เลิกใ ค, ค่อยเรียนไปนะสนุกสนุกวิชาทางโลกเรียนแล้วก็ได้เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็งั้นงั น, นะไม่พ้นทุกวิชาทางธรรมนะเรียน ค, ย ค, ยค่อยเรียนนะทุ ก, ก็น้อยลงน้อยลงอย่างพวกเราเรียนกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งรู้สึกไม่ทุกมันน้อยลง ทุกข์มันเบาลงทุกข์มันสั้นลงรู้สึกไหมแต่ทุกข์มันถี่ขึ้นรู้สึกไหม เ, เพราะเรามีสติว่องไวเห็นความจริงของรูปนามได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นก็เห็นทุกข์ได้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นสุดท้ายดับไปจะเห็นนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนั้นค่อยๆเรียน สนุกมากเลยตรงที่เข้าใจาวิชานี่สนุกจริงๆนะครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังแบบโลกธาตุถล่มทลายลงวัตตาถล่มทลายลงต่อหน้าต่อตานะบางองค์ท่านก็มีซาวเอฟเฟก์นะเหมือนโลกถลม่มเหมือนฟ้าผ่าบางองค์ ตอนที่วัตตาในใจถล่มเนี่ยรู้สึกเหมือนฟ้าผ่านะแล้วมันผ่าจริงๆด้วยนะคุณแม่จันดีท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามันผ่าต้นไม้ข้างกุฏิท่านนะข้างหลังกุฏิท่านนะนะมันเปรี้ยงลงมากลางศีรษะท่านนะมีความรู้สึกอย่างนั้นมันฟ้าผ่าลงกลางศีรษะท่านเลยนะ รูปนามกดับลงไปธนะาตุรู้ที่มันสะอาดบริสุทธิ์ก็ผุดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นมานะปรากฏขึ้นมาสนุกตอนนี้ก็สนุกแค่ว่ามีตัณหาอยากเมื่อไหร่รู้ไม่อนันนะเอาแค่นี้ก่อนเล่นแบง่ายๆแค่นี้พอแล้ว เพราะว่าความอยากผลักดันใจเราดินก็แเดวกระเดาอยู่ทั้งวันใครมีความสุขรู้สึกไหมใครมีความทุกรู้สึกไหมใครเฉยเฉรู้สึกไม้มถ้าไม่ชอบดูตัณหานะดูสุขทุกเฉยเฉยก็ดูง่ายสามตัวเนี้ยดูง่ายใจมสุขก็รู้ใจมทุ ก, ก็รู้เฉยเก็รู้ ถ้ามันสุกแล้วไม่รู้ราคาก็เกิดถ้าราคาเกิดกามตัณหาภาวะตัณหาก็เกิดถ้ามันทุกข์เรารู้ก็ดีได้สติได้ปัญญาถ้าทุกข์เราไม่รู้โทสะก็เกิดโทสะเกิดแล้วไม่รู้อีกน ะ, ะวิภาวะตัณหาก็เกิดเขากฟังรู้ไปสนุกสนุก หลวงพ่อตอนเด็กๆนะอยากได้มรรคผลนิพพานนั่งสมาธิทุวะอันทุวั น, วนอยากเห็นนิพพานนิพพานเป็นไงก็ไม่รู้นะไปวัดได้ยินพระท่านพูดถึงนิพพานนิพพานก็อยากนิพพานนั่งสมาธิปฏิบัติอยู่นานยีสบสองปีหวังจะได้มรรคผลนิพพานแต่ถ้าไม่ได้ มาเจอลงป ด, ดุลท่านสอนให้ดูจิตนะมื่อดูจิตแล้วมันสนุกนะของที่ไม่เคยเห็นได้เห็นไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจสนุกจริงจิตเราทำงานได้พิจิตพิสดารเหลือเกินมีความซับซ้อนมากมายทำอะไรได้เยอะแยะปริยัตบอกทำได้สิบสี่แบบสิบสี่สิบสี่งาน การจิตของจิ ต, จตเรามาฟังรู้ฟังดูสนุกพราะมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกสนุกที่ได้ดูฉันท่ามันเกิดมีฉันท้าที่จะดูจิตตัวเองไม่สนใจแล้วจิตคนอื่นจิตคนอื่นเห็นมาก่อนทอำสมาธิอยากรู้อยากเห็นอะไรเมื่อตอนเด็กๆเมื่อออกรู้ออกเห็นได้ พอมาเจอหลวงปู่ตอนดูจิตสนุกมีชันทะพอใจพอใจพอใจนะ่ดในดูจิตตัวเองเห็นมันทํางานลืมหมดแล้วนะคำว่ามรรคผลนะไม่ได้คิดว่าดูเราจะได้มรรคผลเลยคิดแต่ว่ามันน่าเรียนรู้นี่พอมีชันทะเกิดขึ้นนี่ไมอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ขยันดูเพราะมันอยากดูมันชอบดูมก็ดูบ่อย แลมีฉันท์าเกิดขึ้นก็วิทยาก็าเกิดขึ้นขยันดูมีความเพียรที่จะคอยรู้คอยดูอยู่แลการที่เราคอยรู้คอยดูจิตของเราไปเรื่อยๆนะจิตมันใส่ใจมีความสนใจเวลาเราอ่านหนังสือที่เราชอบสักเล่มหนึ่งสังเกตนมสมาธิมันจะเกิดมันจะไม่วอกแวกไปที่อื่นมันจะอยู่กับไอ้หนังสือที่เราอ่านนี่พอเราอ่านจิตแล้วเรามีความสุขมีความสนุกน้าขยันอ่าน ยังเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยอ่านนิยายบางเรื่องนะ เ, นเพชรพระุมาเนี่ยเป็นหนังสือที่ทำลายสุขภาพมากเลยต้องอ่านหามรุ่งหามค่ำนะกลางคืนนอนหลับไปพอรู้สึกตัวมาดูต่ออย่างเงี้ยนะครๆไม่พวกดูบ่อนโลกกดูจนตาแดงเลยเมไม่มีชันทะม่ก็เกิดมีริยะขยันดูจิตใจก็จดจอ่อไม่วอกแวกไปที่อื่นเลยนี่คือตัวจิตปั มีสมาธิที่จะคอยรู้คอยดูแล้วเวลาดูนะก็จะเห็นมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้ น, นสภาวะ น, นี้ทำงานไปมันทำงานแล้วมันมีผลอย่างนี้นแล้วก็ค่อยๆเห็นไปจนกระทั่งรู้ถึงว่าอะไรทำให้สภาวะนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะเข้าใจสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวปริยัติทีาเรียกว่าลัคณาที่จตุ ก, กะองค สประการที่มีลักษณะเป็นเบื้องต้นลักษณะตัวนี้หมายถึงลักษณะเฉพาะวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะอย่างความโกรธนี่มีลักษณะเฉพาะของมันทีแรกเรายังไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรมันพุดขึ้นมาแล้วก็มันอะไรก็ไม่รู้ดูมันทํางาน้ตัวนี้พอพุดขึ้นมาเนี่ยนะจิตจะปฏิเสธอารมณ์ที่มีอยู่นี่มีบทบาทปฏิเสธอารมณ์ความทุกข์ก็เกิดในจิตนะเกิดร่วมกับความทุกข์เลยนะตัวเนี้ย ต่มาก็ดูไปเรื่อยๆเข้าใจโอ้จิตมันกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจตัวนี้ก็เกิดขึ้นมารู้เหตุรู้ผลด้วยตัวนี้ใคร่ครวนค้นคว้าใคร่ครวนศึกษาซ้ำแล้วซ้ำอีกตัวนี้คือวิมังสา น, นั้นเรามีชันท้าวิริยะจิตตาวิมังาามสาธรรมะสี่ข้อนี้คืออิทธิบาสสี่ อิทธิบาตสี่คือธรรมะที่ทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างเราทําธุรกิจเราชอบกิจการของเรามากเลยเราสนใจเรามีความสุขที่จะได้ทําธุรกิจตัวนี้เราก็มีความขยันมีความใส่ใจมีการคนา้นคว้าใคร่ครวญพัฒนาความสําเร็จในกิจการของเราเกิดขึ้ น, นอิทธิบาตใช้กับโลกก็ได้ใช้กับการปฏิบัติก็ได้ ยังหลวงพ่อเลยพยายามชวนพวกเรานะสนุกนะไปดูถ้าดูตัณหาความอยากเกิดขึ้นมาเราจะเห็นกระบวนการทํางานหลังจากที่ตัณหาเกิดรู้ไนดะ้มันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองถ้าตัวนี้ดูไม่ไหวดูง่ายกว่านั้นดูเบญนาสามตัวความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ไว้นะถ้าไม่รู้กิเลสจะแทรกถ้ารู้แล้วกิเลสไม่แทรก ปัญญาจะเกิดแทนผัสสะเป็นช่องทางมาของกิเลสก็จริงนะแต่ผัสสะเนี่ยเป็นช่องทางมาของปัญญาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่หนะีผัสสะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกดมกลิ่นลิ้นก็ทบรสกายก็ะทบสัมผัสใจก็ทบความคิดให้มันกระทบไปนะกระทบไปแล้วถ้ามีสตนะิปัญญาจะเกิดถ้ากระทบแล้วไม่มีสติ กิเลสจะเกิดไม่เกิดจากจุดเดียวกันเนะ่พราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้หนีโลกนะว่าพิสูจทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตงดงามดุจราชรถทรงของพระราชานะที่คนเข่าพากันติดอยู่แต่ผู้รู้ไม่ค้องเกี่ยวท่านไม่ได้สอนนะพิสูจทั้งหลายมีตาอย่าดูมีหูอย่าฟังมีใจอย่าคิดไม่เคยสอน เนี่ยพวกที่อยากทำจิตให้ว่างเนยะไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจิตไม่เคยว่างนะจิตต้องมีอารมณ์เสมอเนะมื่อก่อนนะพวกอภิธรรมในโจมตีท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสชอบสอนทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเขาบอกเลยว่างไม่ได้หรอกจิตต้องมีอารมณ์นะเพราะฉะนั้นจิตไม่ว่างอันนี้พูดคนละเรื่องกันท่านว่างหมายถึงว่างจากเซล ทำงานทุกชนิดโดยไม่มีเซลล์ซ่อนอยู่เบื้องหลังจากตัวตนว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสปัญหาคนละคำภาษาไม่สื่อกันเลยด่ากันเเราสังเกตตัวเองไปได้ได่อยๆนะไม่มีอะไรสนุกเท่ากับการเรียนรู้ใจตัวเองอย่างบางท่านได้บอกเรียนรู้กายสนุก ลวพ่อเรียนดูกายไม่สนุกดูแป๊บเดียวมันระเบิดหมดแล้วมาดูจิตนี่มันสนุกครูบาอาจารย์บางท่านไก็บอกดูกายสนุกนอย่างในกรอนบทขันทวิมุตสมังคีเย่านหมบอกผู้สแสวงหาธรรมะน่ะเที่ยวไปในถ้ำเพลิดเพลินชมถ้ำถ้ำก็คือกายนี่นก็นี่แล้วแต่แล้วแต่จริตนิสัยนะ อยากดูกายก็จะดูกายแล้วสนุกอยากดูจิตดูจิตแล้วสนุกว่ากันไม่ได้ทางใครทางมันของพวกเราก็ดวดถ้าดูกายแล้วมันสติเกิดดีเราก็ดูกายไปนะแล้วสุดท้ายมันลงมาที่จิตก็ลงมาที่จิตจนไดนะ้ถ้าเราตัดตรงเข้าที่จิตเลยนะก็มาไดนะ้ย่นระยะทางลงนะี่นาฬิกามัน มันตายหรือเปล่ามันไม่เท่ากันสักเลือ้อนนั่นยัง8โมงเป๊ะๆอยู่นี่เลยไปนิดหนึ่งแล้วเอาไปกินชาไปนี่หมดเลยครับ